จะเอาตั้งหลายหลาล้านอะไรเงี้ยนะอบางคนก็ดูถูกเพื่อนเฮ้ยแกขออย่างนี้ไม่ดีฉันดีกว่านิพพานนะปั จ, จโยโหตู้เราข้าวใส่ขันใส่บาตได้นิพพานลนะ <c oughs> ได้ก็ไม่ได้ไง <c oughs> ต้องเดินปัญญาบมึงจะได้พา น, นิพพานทําทานได้รวยทําไมรวยถ้าทาทานได้ด้วยใจจริงๆนะมีเงินน้อยก็รวยนะใจมันพอแล้ว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 ไม่ถึงยังยังพอแยกกับมันได้อยู่แต่ <ừ m. S 2> เดี๋ยวล้วจะไม่ไม่จบเห็นไหมมันยังแยกเห็นไหมต่อไปเนี่ยไอ้อที่ว่าแยกแล้วเนี่ยแหละไม่มีทางจะแยกต่อไปนะตัวมันนั่นแหละตัวทุกเห็นไหมเราแยกหนีอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะฮะตัวมันเป็นตัวทุกข์เรายังไม่เห็นนะอืมเพราะงั้นไม่มีทางหนีเลยตรงที่รู้ว่าไม่มีทางหนีนะ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 เราเป็นคนฟุ้งง่ายนะถ้าเราคุยกับคนมากยุ่งกับคนมากน่าจจะฟุ้งเยอะงั้นถ้าไม่จําเป็นนะเราก็พ่อหนาของเราไปยุ่งกับคนน้อยๆคลุกคลีน้อยๆนะกะสบายผอยากนะกัรบ้านคเนี้ธรรมะสการค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกที่นั่งสมาธิได้แต่หลังจากเป็นปีที่นั่งแล้วไม่ลงเลย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 ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนถึงจะเห็นธ า, าตุเห็นขันธ์แต่ละธาตุแต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ใจรักนะก็คือแค่แค่คิดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ก็พอใช่ไหมครับไม่<อ> ต, ต้องคิดอีกซ้อนอีกอะไรยังไม่ต้องถึงใจรักก็ได้นะ อ, อย่างครงูบาอาจารย์บางทีพิีรณาใจรักษเลยนะคิดร่างกายเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักษดูไปพิจารณาไปนะั้นมันจะแตกสลายไปหมดเลยนะพอเหลือแต่ใจอันเดียวพอมีร่างกายมาใหม่คราวนี้ท่านแจ่มแจ้งเนะลยว่ากายกับใจควรรักกันแล้วเดินปัญญาต่อง่ายนะ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 ตามองเห็นคนมันกําลังจะปรุงแต่ว่ารู้สึกตัวมันก็เห็นมันอยู่อย่างนี้ฮะนเน ป, ะ ป, ะปะน็นไหวอย่างนั้นแหะนะการภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเลยแต่ยิบยๆยิยอยู่นี่แหละแค่นั้นเองเหมือนคลื่นวิทยุอย่างนี้นะคลื่นวิทยุแค่นี้นขึ้นๆลงๆก็แค่นั้นเอง<ช>แล้วก็ค่อยไปแปลอีกทีเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรงั้น<ช>ตอนนั้นยังไม่ได้แปลไหวแป๊บ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 คำถูกแล้วขราขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะถอาหมดนะหมดคนที่จะถามเชิญกลับบ้าน